ข้อความสุขความเจริญจ่มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้คงพูดเรื่องกุศติสูตรต่อไปคำว่ากุศติสูตรหมายถึงผลที่กระทบหรือผลที่ถูกต้องจากการกระทำของบุคคลโดยเน้นไปที่ว่า ผลดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำหมายความว่าผู้ทำความดีก็จะได้รับผลดีผู้ทำความชั่วก็ได้รับผลชั่วเป็นคำกล่าวในลนักษณะเสนอความคิดเห็นของตนของเทวดาต่อพระภักพระพุทธเจ้า จึงได้กล่าวไว้ในวันก่อนที่ว่าวิบากย่อมไม่ถูกบุคคลผู้ไม่ถูกกรรมหมายความว่าผลคือความทุกนั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่คนที่ไม่ทำกรรมชั่ววิบากรพึงถูกบุคคลผู้ถูกกรรมโดยแท้หมายความว่าผลคือความทุกความเสื่อมในร่างต่างๆก็จะเกิดขึ้นแก่คนที่ทำชั่วโดยแท้ หมายความว่าเราไม่อาจปฏิเสธได้และทั้งกล่าวโดยสรุปว่าฉะนั้นวิบากย่อมถูกบุคคลผู้ถูกกรรมผู้ประทุษ ร, ร้ายนรชน์ผู้ไม่ประทุษร้ายก็เป็นการเน้นย้ำอีกทีหนึ่งคือหมายความว่าปริยายของกรรมนั้นเป็นนัยยะที่วิจิตพิสดาร น, นะครับ หมายความว่าถ้ากล่าวเรื่องกรรมแก่คนทั่วไประยะสั้นๆเนี่ยมันจะอธิบายให้รายละเอียดไม่ได้แต่ตะาคนมีพื้นฐานความเชื่ออยู่เนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่ทำความเข้าใจเพราะในกรณีนี้ที่ท่านสรุปว่าวิบากย่อมถูกบุคคลผู้ถูกกรรม คือกรรมในที่นี้คือกรรมที่เป็นอกุศลในกรณีที่ประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้ายหมายความว่ากรรมนั้นบางทีมีการกระทํามีการกระทําตอบด่ามาด่าตอบประหารมาประหารตอบประทุษร้ายมาประทุษร้ายตอบมันก็เปรอะเปื้อนเ้วยกันคือหมายความว่าทั้งคนต่างคนต่างเจ็บปวดในขณะนั้นๆ แล้วต่างคนต่างได้รับผลกรรมหลังจากได้ตายไปแล้วเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นกระทำบาปที่เป็นอกุศลด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ถูกประทุษร้ายจากคนผ่านโดยตนเองไม่ ไ, มได้ประทุษร้ายอะไรเจนคนที่ถูกรังแกถูกประทุษร้ายเบียดเบียน ในนิเทศแห่งบุพเพณิวารสารุตยาและการจำแนกกรรมของสัตว์ทั้งหลายด้วยจุตูปปาตยานเนี่ยมันมีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่พระเจ้าทรงแสดงจะพูดถึงการประทุศรายสมณชีพรามของบุคคลบางพวกเพราะสมณชีพรามคือนักบวชเนี่ยถ้าท่านเป็นนักบวชจริงๆ ท่านจะไม่ประทุายตอบก็ด่ามาก็จะไม่ด่าตอบขอประทุษร้ายมาก็จะไม่ประทุษร้ายตอบ บ, บับงคับบังคารุนแรงอย่างที่เคยเล่าเรื่องประปุณ น, นะที่ท่านกราบทูลลาพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญสมณธรรมชี้เมืองปราพนันตะผู้จารับสั่งว่าคนที่นั้นเขาดุนะ เธอจะอยู่ได้ยังไงท่นานก็บอกว่าอยู่ได้พู่เจ้าก็รับสั่งถามแบบสมมุตินะฮะสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นว่าสมมติว่าไปถึงเนี่เขาด่าเธอเธอจะคิดยังไงท่านบอกว่าถ้าเขาด่าก็ดีกว่าเขาคว้างป่าด้วยก้อนดินเขาคว้างป่าด้วยก้อนดินเธอคิดจะคิดยังไง ก็คิดว่าเขาคว้างปลาด้วยก้อนดินก็ดีกว่าเขาตีโดยไม้พลองทีนี้ถ้าเขาตีโดยไม้พลองนี่เธอจะคิดยังไงก็คิดว่าดีกว่าเขาฟันด้วยสตราสำนวนมาลีเรียกว่าประหารด้วยสตรานะอเคำว่าประหารในที่นี้ไม่ถึงกับฆ่าให้ตายคือถ้าฆ่าก็คือฆ่าเลยทีนี้ก็รับสั่งถามว่าสมมติว่าเขาฟันด้วยสตราเนี่ย เธอจะคิดอย่างไงก็บอกว่าก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายแต่ก็ฆ่าให้ตายเธอจะคิดอย่างไงก็ดีกว่าฆ่าตัวเองหรือคนบางคนต้องการจะตายก็ลงทุนฆ่าตัวเองนี่เราก็ไม่ต้องฆ่าตัวเองแต่ก็ได้ตายตามที่เราต้องการพระเจ้าทรงนุมัตนาวสาทุสาทุกบุญนาเธอไปอยู่สถานที่นั้นได้และท่านก็ไปอยู่ ประสบผลสําเร็จนะฮะบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลทํากลางบุคคลแวดล้อมที่ดุร้ายแต่กลายเป็นไม่ดูร้ายไปนั่นก็หมายความว่าท่านไม่ประทุสร้ายตอบแล้วก็พอดีก็ไม่ถึงกับผ่านคนแถวนั้นไม่ถึงกับผ่านจนไปประทุสรายต่อคนที่ไม่ประทุสรายก็ทําำไมยังนึกถึง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราคือตั้งแต่ามาเกิดมาเนี่ยราก็รู้ข่าวกราวเรื่องราวความเดือดร้อนต่างๆอยู่ตลอดจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรก็เรียกขาไทยปิดส่วนยางเรียกขาไทยข่มขู่อาฆา การโชครับอะไรต่างๆคือจะมีอยู่ตลอดเลยคือยังนึกว่ามันก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ประทุษร้ายต่อคนซึ่งไม่ประทุษร้ายแล้วคนเหล่านั้นก็ประสบผลกรรมไปแต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยแทนที่จะมองให้เป็นบทเรียนว่าเออทำไมไม่เกิดแก่คนในท้องถิ่นอื่นล่ะ ทำไมมาเกิดเฉพาะที่นี้มากเป็นผิดปกติล่ะมันไม่ได้คิดอ่ะคือไม่ได้ตั้งคำถามแล้วก็ไม่ได้สแสวงหาคำตอบหลายปีมาแล้วที่ตาราภาพยนต์คนหนึ่งรู้สึกจยชื่อริชาร์ดเกียนะฮะที่หันมานับถือพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานของท่านดาลายลามะ แล้วก็ปฏิบัติตัวได้เคร่งครัดอยู่ในศีลหรือท่านพูดตามกฎอ่ะ่าไปสื่อสารในโลกตะวันตกเนี่ยจะสื่อสารไม่ได้ท่านบอกว่าคนที่เกิดมาวิคลพิการมีความบกพร่องในด้านต่างๆนั้นเพราะเป็นเป็นวิบากกรรมในอนดีต ท, ที่คนเหล่านั้นได้กระทาเอาไว้โอโหโดนถอต้านประท้วงรุนแรงมากเพราะเขาไม่เชื่อ ฉันดั่งกรรมจึงไ่ใจะพูดได้ทุกคนทุกแข่งต่บางทีเขาไม่เชื่อแล้วก็มักจะโยนปัญหาต่างๆเนี้ยให้แก่สังคมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือรัฐบาลในประเทศด้นนั้นไม่รู้ยนวยเนยก็จะโดนลูกหลงไปเรื่อยแหละจะมีปัญหาอะไรก็โยนให้รัฐบาลไปแต่ถ้าเราเข้าใจในกฎของกรรม เราก็จะมองเห็นว่าถ้ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งเขาทำมันก็ไม่น่าจะเกิดเจาะจงเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่ว่าทำไมมันเกิดบังกรังบังคราวทั้งครอบครัวเนี่ยพิการไปหมดเลยทำไมเราก็ไม่เคยแสวงหาคาตอบ แต่เราจะพบว่าเรื่องราวนี้ในอันตรกรฐานี่จะปรากฏเยอะมากในเปตวัตถุในพวกอัตรกระถาต่างๆพูดถึงคนที่ประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายเพราะงั้นข้อต่อไปเนี่ยบู้าทรงขยายขยายประเด็นหลังประเด็นที่เทวดากล่าวว่า ตัดสม่าพุสันต่างพุทสติอปาดุดทับอะโดสิต่งสินังอธิบายว่าเพราะวิบากย่อมไม่ถูกบุคคลผู้ไม่ถูกกรรมหมายความว่าผลที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นจะไม่เกิดแก่คนที่ไม่ได้ทำชั่วย่อมถูกผู้ถูกกรรมหมายความมันจะเกิดขึ้นก็นในกรณีที่เขาทำชั่วก่อนท่านั่นเอง วันกันที่เราเป็นคนชั่วเพราะเรากระทาชั่วเราเป็นคนพูดชั่วเพราะเราพูดชั่วก่อนเราเป็นโจรเพราะเราต้องลักขโมยก่อนเราเป็นฆาตกรเราก็ต้องผ่านการฆ่าคนมาก่อนเราค้าของเถือนเราก็ต้องผ่านการฆ่าของเตื่อนมาก่อนคือหมายความว่าจริงๆคนอื่นเขารายงานความจริงเขารายงานความจริงตามที่เราเป็น แต่เรายอมรับไม่ได้นะคล้ายๆกั บ, บ, บที่ท่านนายกพูดถึงแหล่งที่สนับสนุนเงินทุนของพวกก่อการร้ายทางสามจังหวัดภาคใต้ส่วนหนึ่งก็มาจากร้านอาหารซึ่งแน่นอนที่จริงมันก็ต้องมีแต่คงไม่ใช่ทุกร้านแล้วก็ไม่ใช่ร้านอาหารอย่างเดียว เพราะว่ากิจกรรมในลักษณะนี้มันก็รับรู้กันเพียงแต่ ว, ว่าคนในท้องถิ่นไม่กล้าพูดแน่นอนเองแล้วก็อยู่ในวิสัยที่จะทนได้ก็ทนกันไปแต่ว่าเราจะได้ยินว่าการคัดกาเนี่ยจะแพร่หลายจากคนข้างในจากคนข้างนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระนาท่าน NGO อทั้งหลายเนี่ย หมายความว่าแต่ไครพูดอะไรตรงๆแล้วก็เป็นการปกป้องคนไทยเนี่ยฮะเขาจะต่อดดานแต่ในขณะเดียวกันเมื่อใครกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีคนไทยเนี่ยเขาจะเงียบเป็นพฤติกรรมที่แปลกคือสังเกตมานานบางคนพวกนี้จิตใจเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไง กักษาไทยจริงหรือเปล่าจิตวิญญาณก็เป็นคนไทยหรือเปล่าี่โบราณเ็าเรียกว่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกข้าบ้านายในนำออกแต่ไอฟอนอกเนี่ยไม่ยอมนำข้าวคือถ้าหากว่าเป็นการกระทาของคนไทยด้วยการก็นำข้าวนะฮะ แต่ถ้าเป็นการกระทำของคุณพอ่อต่างชาติก็จะไม่นําครับอ่ะเรื่จริงก็เป็นบาปนะแต่ถ้าเราไปถามคนเหล่านี้ว่าคุณกลัวบาปไหมเขาก็ไม่เชื่อเรื่องบาปหรอกคือถ้าเขาเชื่อเรื่องบาปเนี่ยเขาจะไม่ทำฝันพระอาจารย์กอธิบายต่อไปว่าเป็นธรรมดาของกรรมวิบาก ท, ทั้งหลาย คือผลแห่งกรรมทั้งหลายเนี่ยดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลใดย่อมประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายตอบผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินอันนี้พูดสูงนะหมายความว่าเป็นการประทุษร้ายต่อพระอรหรนันต์เลยผู้นี้จะเร็วมากถ้าระดับนี้นะฮะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินหมายความว่าเป็นพระอรหรันต์แล้ว ยกตัวอย่างคนที่ถูกธรณีสูบฆ้าคนมันเร็วแล้วกินปฏิวัตถูกธรณีสูบหลังจากทาสังฆเภทหลังจากด่าทอพระสารีบุตรพระโมคคลานะแล้วก็หลังจากที่ได้กลิ้งหินสเก็หินกระทบประบาทของพระพุทธเจ้า เ็เรียกว่าทำสังฆเพศซ้อนกันอ้ไม่ใช่ทำอนันตริกรรมซ้อนกันสองเรื่องสองอย่างตั้งก็ถูกธรณีสูบนันทามานพประทุษร้ายต่อนางพระบุบวนาเฉรีภิกษุณีซึ่งเป็นพระราหารันออกจากศาลารับตาท่านเท่านั้นก็ถูกธรณีสูบแล้ว นางจินจักานาวีกากล่าวหาพระพุทธเจ้าในทํานองว่ามีเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางเพศกับเธอจนมีท้องมีไส้ไปโจ์ในประเชตวันทำกลางประชาชนเป็นนันมากออกจากสถานที่นั้นพอเลยประตูวัดประเชตวันก็ถูกธณนีสุพระเจ้าสุปปะพุทธ คือการหนทางบินธบาตของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์อีกเจวันต่อจากนั้นก็ถูกโทนิสุชื่งบันไดพระตำหนักนั่นเองแม้จะตั้งกองอารักขาเพราะว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งให้สตินะบอกว่าพระเจ้าลุงของเราทำกรรมหนักคือถ้าไม่เปลี่ยน ในเจ็ดวันเนี่ยจะถูกธรณีสู่ใต้เชิงบันไดท่านยังคิดแข่งดีต้องการจะจับผิดพระพุทธเจ้าว่าโกหกอีก <laughs> <laughs> เลยก็ให้คนมวยปั้มร่างใหญ่ๆเนี่ยอารักขาท่านอยู่ในปราสาทแล้วก็สั่งเด็ดขาดเลยว่าถ้าท่านจะออกมาข้างนอกไนี่อย่าให้ออกให้กลับไว้ให้ได้ ปรากฏว่าถึงคราวมามงคลของท่านเกิดอารวาสใครคนอื่นเอาไม่อยู่แต่ก็ต้องออกมาพวกองค์กรักต่างๆที่ตั้งไว้หลายระดับหลายชั้นเนี่ยช่วยกันผลักแทนที่จะห้ามไวเนี่ยต่างคนต่างก็ช่วยกันผลักแล้วก็ถูกทรณิสุนันตกะยักษ ไปตีศีษะประสาริบุตรในขณะที่อยู่ในนิโรธสมาบัติแล้วก็ถูกตานิสุปนั่นคือการประทุษรายตกคนที่ไม่ประทุสรายโทษอย่างแรงนะนี่คือโทษอย่างแรงเพราะว่าตอนที่พระเจ้ารับสั่งไม่ได้พูดถึงระดับนั้นแต่พูดระดับบริสุทธิ์ที่เป็นอรหุธภาษีได้รับสั่งว่า บุคคลใดย่อมประทุษร้ายแก่นรชนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสใช่คือพระอรหันต์ด้วยกันบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นผู้เป็นผ่านผ่านมากๆนะฮะคือคนประทุษร้ายต่อคนที่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่รู้จะผ่านยังไงก็เรียกว่าผ่านมากๆบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นผู้เป็นผ่านแท้ประดุด ทุลีที่ละเอียดที่เราซัดทวนลมอย่างถ้าเคยบอกญาติโยมว่าอ้วิธีการเหล่านี้ท่านโบราณเนี่ยท่านเตือนให้สติไปเยอะปาาฝุน่นทวนลมทมน้ำลายรถฟ้าแหวงเท้าหาเส้นหรือฝอยหาตะเข็บต่ละเรื่องเนี่ย ปัญหาไกลตัวแต่เราก็หาเรื่องให้มันเกิดปัญหาขึ้นจึงไม่มีความจำเป็นอะไรเลยถึงบางครั้งบางคราวเพียงเพราะต้องการที่จะขัดขวางบารมีของคนบางคนซึ่งคนเราที่มีบารมีนี่มันขัดจัดไม่ได้นะสะกัดกั้นไม่ได้ เพราะว่าพลังของบารมีเนี่ยมันมันนั่นจะปกป้องปกป้องคุ้มครองคนเหล่านี้เป็นฤทธิ์ที่สําเร็จมาโดยฤบุญก็เรียกว่าปุญญวโตอิชิคือเป็นความสําเร็จโดยบุญญาธิการหรือบุญญาอนุภาพของคนเหล่านั้น คนหลนี้ก็เกิดมาในโลกเพื่อการนี้ใครจะไปขัดขวางตัดรอนอะไรเขาไม่ได้มันจะต้องมีอันรอดปลอดภัยไปแต่นึกภาพถึงกษัตริย์เฮโรธที่สั่งฆ่าเด็กในหมู่บ้านเบธเลเฮมตอนพระเยซู ป, ประสู ต, ติเด็กตายไปเยอะแต่ว่ากุมารเยซูก็รอดไปได้นะเพราะว่าโจเซฟกับ นางมารียาดำหนีไปแล้วก็ถึกท่านเกิดมาเพื่อเป็นศาสดาท่านก็เป็นศาสดานั่นนหะใครไปขัดขวางไม่ได้เราไม่ต้องอกอกไกลขนาดนั้นนะคือคนที่มีบารมีระดับสมมติว่าเนี้ยอย่าระดับว่าเป็นมหากษัตริย์เขาเรียกว่าเป็นบุญญาธิการกิษตดาพินีหารชี่ใครจะบทบังไม่ได้ เต้องเป็นก่อนทีนี้พอมาคนที่เป็นพระราหารยิ่งประยัเลยกี่ ค, คนคนประเภทนี้เกาเรียกปัชิมะาวิกษตรเกิดแว้ออกมาถึงเนี่ยเป็นปชิมะผวิกษตรต้องบรรลุมรรผลเป็นทหารก่อนจึงจะตายถ้าไม่งั้นจะไม่ตายอ่ะค่อยๆฆ่าไม่ตาย ต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระหนก่อนแต่บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยอาจจะถูกค่าได้นะฮะเพราะว่ากรรมก็คือกรรมแต่อย่าลืมว่ามันเป็นพลังของกุศลกับอกุศลที่ต่อสู้กันแรงมากก็เรียกว่าวิ่งแข่งกันมากุศลก็มาอกุศลก็มาทำให้พระอระหันต์บางองค์เป็นชีวิตระสมาสี ดับกิเลสดับชีวิตติดกันเลยต่อกันไปเลยหรืออย่างพระจักกุบานเนี่ยดับกิเลสแล้วก็ดับดวงตาเกิตาบอดเลยมีเป็นจำนวนมากที่ประหันซึ่งกิเลสดับแล้วก็ชีวิตดับโดยเฉพาะที่ดับด้วยสัตตราก็มีสธิพภเนี่ยประมาณ5รูป เลยก็หมายความว่าจะไม่ดับก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระหันถ้าเป็นประเภทปัจฉิมภวิกษัตว์หรือสัตว์ที่เกิดมาในชาติสุดท้ายเพราะในกรณีที่ประทุตระไรต่อผู้ที่ไม่ประทุตระไรในชีนี้ยกไว้ระดับสูงมากนะฮะคือระดับที่เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส แล้วพระตถาจารย์ท่านก็นมาไขาความผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายเพราะผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้อย่างนี้เยนงกรรมหรือวิบากกรรมคือเจตนาที่เราทำเราพูดเราคิด อ่ิบากก็คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากเจตนามันก็ต่อกันไปนะฮะช่วงไม่ได้ยาวอะไรหรอกเอากันไม่กร่ทันที่จไปย่อมถูกต้องบุคคล น, นั้นย่อมถูกต้องบุคคลผู้ถูกกรรมนั้นแหละคือคนในกรณีนี้เน้นที่การทาชั่วนะเน้นที่การทาชั่วเพราะ บ, บุคคล น, นั้นย่อมอาจเพื่อทำเพื่อฆ่าบุคคลอื่นหรือไม่ก็าตามแต่อัตตา ชื่อว่าตั้งอยู่แล้วในอบายสี่ด้วยกรมนั้นโดยนั้นรพระผูม้มือภาคเจ้าจึงตรัสว่าบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลผู้นั้นผู้เป็นผานประดุษธุลีอันละเอียดที่ซัดทวนลมตอนนึกภาพนะเรากำฝุ่นแล้วก็ซัดทวนลมไปเอาฟุ่นมันจะกลับมาเข้าหน้าเราหรือเขาเปลิงทวนลมความไฟก็จะข้าหน้าเรา ฝุ่นทวนลมฝุ่นก็จะเข้าหน้าเราตลน้ําลายรถฟ้าน้ําลายก็ตกบนหน้าเราแขวงเท้าหาเสีน้นเท้าเราก็โดนเสีน้นเสี้ยนตามหรือขอยหาตะเขบ็บมือเราก็โดนตะเข็บกัดอบาปกรรมเนี่ย<อ>เขาเรียกว่า<อ>น้วงเหนียวไปสู่นรกเฉพาะในที่นี้นะฮะคือเน้นที่บาปกรรม ย่างในอัตถิถาชาดกได้เล่าถึงประวัติชีวิตของโคโสกะเทพบุตรโคโสกะเศรษฐีนะฮะที่จริงโคโสกะเศรษฐีแต่ว่ามันมันสะท้อนตักจากการกระทําของตัวท่านเองด้วยแล้วการกระทําของคนอื่นด้วยคือเราเห็นทั้งสองช่วงคือในชาติหนึ่งนี่ท่านเป็น คนมีฐานะพอสมควรชื่อโก uh ตุฮาลิกสมัยโบราณเนี่ยพวกพวก็เรียกว่าทุพิกภะไพนะฮะทุพิกะไพมันจะมีการหนีจากทินที่อยู่อาศัยแล้วก็เรียกว่าไปตายดับหน้านายโกตฮาลิกกับพันยาก็มีลูกอ่อ น, ออนแล้วก็หนีไป ตอนแรกๆมันก็พอมีสเสบียงอะไร ต, ะะไรต่างๆรับประทานกันไปแต่ว่าเดินทางไกลมากก็ทําให้เราเห็นว่าลักษณะทางสังคมยุคพุทธกาลเนี่ยมันก็สแสดงว่าบ้านคนก็ห่างกันเพราะที่จริงก่อนก่อนพุทธกาลเนี่ยก่อ น, อ น, อนๆไม่มากหรอกก็ไม่แนมนกันนะเพราะว่ามันเป็นยุคประปจเจกับพุทธเจ้า แล้วก็ท่านจําเป็นต้องทิ้งลูกเพราะว่าอุ้มไม่ไหวคือเจตนาไม่แรงนะฮะเจตนาไม่ใช่ประทุษร้ายแต่ ว, ว่าสุดกำลังที่จะอุ้มเพราะตัวเองไม่มีแรงไม่มีอาหารรับประทานเดินเองก็ไม่ไหวแล้วก็ลูกน่ะก็ตายแน่เปลี่ยนการอุ้มกับพัญญา ปัญญาก็อุ้มไมได้หน่อยก็ส่งให้สามีสามีอุ้มไปได้หน่อยก็ส่งให้ปัญญาแต่ในสุดก็ลาด้วยกันนะี่ยไปไม่ไหวเด็กกันตอนนี้สามีอุ้มเนี่ยสามีเอาไปวางไว้อย่างธนุถนอมนะฮะวางไว้อย่างธนุถนอมใต้ต้นไม้ปัญญาหันกลับมาดูอา้าวลูกไม่มีซะแล้วเลยก็ย้อนกลับไปดูปรากฏว่าลูกตายก็จะกการฝังลูก แล้วก็กตระาตุเรไปจนถึงบ้านนายโคบาลแล้วก็ไปขออาหารเขากินนายโคบาลกาลังเลี้ยงพระประเจกับพุทธเจ้าอยู่นายโกตัวหลิกอารามอารามที่หิวมาหลายวันแล้วนะแล้วก็เห็นนายโคบาลเอานมอย่างดีให้สุนัขแม่สุนัขค ก, กินมานึกอนเนตรนาตัวเองว่าเออเรานี่ยยิ่งกว่าสุนัขอีก อยู่โหยทุกยากลำบากยิ่งกว่าสุนัขสุนัข ก, ก็ยังกินดีกว่าเรารตอนที่นายโคบานเลี้ยงอาหารเนี่ยพันญาเป็นห่วงสามีมากกว่าเลยก็มอบส่วนของตัวเองให้สามีรับประทานสามีก็รับประทานเร็วเกินไปแล้วก็มากเกินไปไม่ย่อยก็ตายตายด้วยจิตที่ผูกพันเราเห็นว่า น, นี่คืออาสันกรรมกรรมเมื่อจวนจะตายแล้วมันตามมาให้ผลแรง มันเกิดขึ้นจากการทิ้งลูกใกล้ามากก็ให้ผลให้ท่านเกิดเป็นสุนัขเพราะว่าใจท่านเหนียวนึกพอใจในความเป็นสุนักแลนนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะยางนานมาแล้วที่เคยเล่าเรื่องมีคนคนหนึ่งบาเพ็ญตัวเป็นสุนัขขวัตเป็นโคขวัตคือเรียนแบบสุนักเรียนแบบโคหมดทั้งกินทั้งอยู่ทั้งขับถ่ายทั้งนอนทั้งอะไรแต่อะไรต่าง เรียนแบบโภคแบบสุนักแล้วเขาถือว่าเป็นตบะที่ยิ่งใหญ่มากตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสวงสวรรค์ก็เกิดข้องใจสงสัยมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาที่จะตอบก็เขาพยายาม้าวซีออนวอนขอให้ตอบ วจรับสั่งว่าไม่ได้เกิดสวรรค์หรอกแต่มันเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นโคเพราะว่าใจมันไวผูกพันอยู่กับความเป็นสุนัข ก, กับความเป็นโคอันนี้ต้องระมัดระวัง อ, อย่างที่เคยเล่า ว, ว่าพระรูปหนึ่งปลูกอ้อยเอาไว้มันเป็นความดีไว้เยอะแต่ตอนตายเนี่ยมันเกิดอยากกินอ้อยขึ้นมาแล้วก็ตายเกิดเป็นหนอนในอ้อยองค์หนึ่งก่อนจะตายนี่อยากจะ นุ่งสบงตัวใหม่นะไม่ไม่ไม่ใช่จีวรปรากฏว่าตายเป็นเลนเพราะไอ้ไอ้ไอ้ศาสนากรรมเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่มีครุกรรมระดับอนันตริกกรรมหรือระดับรูปฌานแล้วเนี่ยศาสนากรรมน่ากลัวหัวใจมันไปเหนี่ยวระยะสั้นๆก็ได้แต่ว่ามันต้องไปก่อนละมันต้องให้ผลก่อน ในการต่อมาสุนักตัวนี้ก็ผูกพันอยู่กับพระปัเจกพบพุทธเจ้าองค์นั้นแหละแล้วก็ตามรับตามส่งพระปฏเจกพพุทธเจ้าจนพระปัเจกพพุทธเจ้าต้องไปทำจีวรที่ภูเขาคันธามารร่วมกับพระปฏิเจกพพุทธเจ้ารูปอื่นท่านก็ไปทางอากาศนะฮะ สุนักอาศัยความผูกพันเนี่ยพอเห็นพระปฏิเจกพรพุทธเจ้าเลือกล่องลอยขึ้นไปบนอากาศก็มองแล้วก็เห่าหอนส่งเสียงด้วยความอานัยในพระปฏิเจกพรพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านลับตาหัวใจก็แตกสลายตายตายจากหมาไปเกิดเป็นเทพประบุษเห็นนะฮะอสัญนกรรมที่เป็นกุศลอสัญนักกรรมที่เป็นอกุศลอันนี้ชัดมากแล้วก็ระยะใกล้กันมาก พออายุสุนัขแต่นั้นเองก็บังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ระยะหนึ่งพคงนานพอสมควรนะอายุเทพบุตรเนี่ยเพราะว่าเป็นยุคที่มีพระประัิเจกพุทธเจ้าแล้วก็ว่างพระปฏิเจกพุทธเจ้ามาถึงยุคที่มีพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าคงนานนะแต่ท่านไม่บอกไว้ว่านานเท่าไหร่ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาบังเกิดเป็นในคันของผู้หญิงโสเภณีเทพบุตรตัวเนี้ย็ไดเรียกโคสกเทพบุตรเพราะว่าเสียงเข่าหอนตอนที่เป็นชุนักเนี่ยมันทำให้มีเสียงก้องกังวานที่เรานามาใช้ทีโคศกในปัจจุบันเนี่ยคือเสียงก้อง สดุมันก็ใช้ไม้ะนะก็เสียงกลองก็ไอบ้บางบังเกิดในคันของนครัสโสเปนีเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่เลี้ยงลูกชายนะฮะก็จะเลี้ยงลูกผู้หญิงลูกผู้ชายก็เหมือนกับหมอชีวโ ก, โกมารภัฒต์เขาชิงนั่นเป็นลูกลูกชายของนางสารวตีสโสเณีเหมือนกันแต่กรุงราชครึกและในการต่อมาก็ เขาไม่ใช่อยู่ที่โกสัมพีนะลืมไปอยู่ที่โกสัมพีก็เศษฉีคนหนึ่งเนี่ยไปได้ยินโหนทำนายถึงถึงคนที่เกิดในคืนนะั้นว่าเด็กที่เกิดในคืนนี้จะเป็นมาเรษฐีในเบืองนี้พอดีพัญญาคนเสษฐีกำบังมีคันแก่ก็ส่งลูกน้องไปดู ว่าพัญญาตัวเองคลอดได้อย่างก็ปรากฏว่ายังไม่คลอดก็ส่งคนติดตามสืบหาแล้วก็ไปเจอเด็กที่เขาทิ้งไว้ก็รู้ว่าคลอดในคืนนี้ก็ไปเลี้ยงโดยความหวังเนี่ยว่าถ้าลูกตัวเองเกิดเป็นผู้หญิงก็จะให้อยู่ด้วยกันแล้วให้แต่งงานกันแต่ถ้าลูกตัวเองเป็นผู้ชายก็ต้องฆ่าทิ้งกลัวจะแย่ง กูจะแย่งตาแหน่งเศรษฐีของลูกกับดูติคนหาเรื่องหลังจากนั้นแกก็ทิ้งแล้วทิ้งอีกทิ้งแล้วทิ้งอีกทิงงง้งหลายครั้งเลยแต่ว่าบุญที่เห่าหอนพระประเจกับพะพุทธเจ้าเนี่ยมันคุ้มครองแต่บาปที่ทิ้งลูกมันก็ให้ผล น, นะฮะแต่ไม่บาปเนี่ยมันมันไม่เต็มเรียกว่าไม่เต็มตามมโนรสปรารถนาคือเธอไม่ได้ตั้งใจจะให้ตายแต่ว่าเธอ อุ้มไม่ไหวตอนนั้นเองแล้วก็ทิ้งลูกให้นอนไว้ด้วยน้ำตาเผลบุญตรงนี้บุญบุญที่เหาหอนส่งพระปัเจกพจ ร, ระพุทธเจ้ า, ารับใช้พร ะ, ระรพุทธเจ้าตามรับตามส่งพระปัจเจกพระเจ้ามาคุ้มครองไว้บาปก็เล่นงานไปนะถูกทิ้งแล้วทิ้งอีกทิ้งแล้วทิ้งอีกเอาไปให้เวียนทับก็อรอด เพราะว่าโคที่เป็นจากฝูงไปยืนครอบไว้เอาไปทิ้งลงในเหวก็รอดคือไปตกอยู่บนพุ่มไม้เป็นนอนเมือก็นอนมึงฟูกเลยแล้วทาสารพัดจนถึงกับส่งไปให้เขาเผาในเตาเตาเตาเผาก็รอดอีกลูกชายคนเศรษฐีกลับไปตายแทนจนถึงก็ส่งไปให้เศรษฐี ชนบทซึ่งเป็นเพื่อนกันช่วยฆ่าให้ปรากฏว่าโดนแปลงสารระหว่างทางกลายเป็นช่วยจัดการแต่งงานให้คือหมายความว่าถูกถูกทิ้งแล้วทิ้งอีกนี่เจ็ครั้งด้วยกันแล้วก็รอดมาทุกครั้งแล้วก็จะเริญก้าวหน้าไปทุกครั้งจนว่าเศรษฐีนี่ครับแคนมากทั้งทางที่ลูกชายตัวเองตายแล้วแล้วก็โคศกเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคือลูกบุญธรรม แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาเคยชิงเขาแต่เศรษฐีนะั้นเลิดไปหายไปแล้วในสุดเราจะเห็นว่าท่านประสบการพลาดพลากสูญเสียคือลูกชายตายแล้วตัวเองป่วยหนักและทรัพย์สินก็ต้องตกเป็นของคนอื่นนนะนะ่เพราะฉะนพระเจ้าทรงประรบเรื่องนี้ในการต่อมาก็เศรษฐีต้องการ บอกกล่าวต่อที่ไปชุมญาติพี่น้องบริวารเนี่ยว่าเราไม่ต้องการให้สมบัติของเราแก่โคศกแต่พัญญาของเศรษฐีเนี่ยของของโคศกนี่เขารู้ว่าเขจะพูดอะไรเขาก็แกล้งร้องคาดศีรษะลงกระทากที่อกเลยเสียงคําว่าไม่นี่ยมันไม่มีมันมีคําว่าให้คือไม่ให้เนี่ยคําว่าไม่เนี่ยไม่ไม่มีมันมีคําว่าให้ ตกงโคโศกก็ได้รับม ok. รดกเศรษฐีประสบทุกขเวทนาช็อกจนตายไปเนี่ยคือคนที่ประทุษลายต่อผู้ที่ไม่ประทุษรายแต่นั้นเป็นระดับสามัญนะแต่ในที่นี้เป็นระดับผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบาปจะสนองแรงบาปจะตอบสนองแรง วันก่อนไปไปโรงพยาบาลก็ไปคุยกับหมอเรื่องไอ้เกียร์ไอความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยโดยก็บอกว่าที่อำเภอเดียวก็ต่ตมาบ้านนามานะีมันมีคนฐานะดีในสังคมในท้องถิ่นตรงนั้นเนะี่ยสร้างบ้านขนาดใหญ่เียก็หลายล้านเหมือนก็คือหาดนะฮะส่วนบทบีในขนาดนั้นก็เป็นคยรือหาดแล้วไม่ใช่บ้านนะ ต่อมาไม่รู้มีพระมาะจากไหนมาขอพักที่บ้านซึ่งสร้างเสร็จแต่ว่าเจ้าของบ้านยังไม่ได้ขึ้นอยู่เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมก็บอกว่าเจ้าของบ้านยังไม่ได้ขึ้นอยู่ให้พักไม่ได้พระท่านก็เตือนให้สติว่าถ้าจมาพักไม่ได้คนอื่นก็พักไม่ได้ แต่ท่านก็เดินไปนอนก็หายไปเลยมันหายไปไหนคนก็เฉลียวใจสงสัยนะแต่ว่ามันคนไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนามันก็พูดแล้วเขายากปรากฏว่าหลังจะขึ้นบ้านใหม่นี้ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเจ็ดศพนะต่อเนื่องกันไปหมดบ้านเลยกลายเป็นบ้านร้างก็ทำให้เข้าใจว่าพระรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดา จะต้องพระมียานที่ยังรู้เหตุการณ์ในอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเพื่อจะช่วยแต่ว่าคนต้องมีบุญนะคือถ้าไม่มีบุญเนะ่ยเขามองไม่เห็นหรอกงนทิ้คือความสนิทเป็นสนิมใจแล้วก็ทำให้อยอมรับไม่ได้เลยก็ไปเศษ ในสุดก็กลายเป็นบ้านร้างคือคนอื่นอยู่ๆๆไม่ได้จริงๆนะแต่ท่านบอกตรงๆไม่ได้นะเพราะถ้าบอกเนี่ยคนเหล่านั้นจะทําบาปหนักยิ่งขึน้นคือจะด่าทอท่านจะค่มคูคุก ค, คามอาวแช่งชักหักกระดูมันจะไปกันใหญ่เลยนะเพะื่อนจิตคิดอนุเคราะห์เมื่อเมื่อเมื่อทําได้ขนาดไหนก็ทําขนาดนั้นนะแล้วในสุดจุด น, นี้ท่านทั้งประชาชนเราสังเกตเนี่ยคือจิตที่เป็นอุเบกขาแล้ว คือมันมาด้วยการุณาก่อนมาด้วยการุณาเพราะปัญญาพิจารณาเห็นว่าต่อไปจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็การุณาต้องการจะมาช่วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าท่านไปพักท่านก็ต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องทำพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, งก็คือนั่งสมาธิล่าวชาญโดยอะไรก็แผ่บารมีปกแผ่ให้แต่ตอนนี้คนเนี่ยมันถึงข่าวนะ ถึงคราวจะต้องเป็นไปตามกรรมเขากระดูนาใช้ไม่ได้ผลกระดูนาใช้ไม่ได้ผลจำเป็นจะต้องอุเบกขาคือวางเฉยทำใจมัธยะเป็นกลางก็ปล่อยไปตามกรรม่างที่ทรงสอนในสวดพินิจพิจารนานั่นแหละว่า คนเรามีกรรมเป็นของอตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมาได้ไวจะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นบ่อนกรุณาในลักษณะนี้ถ้าคนไม่มีบา ร, รมีนี่ยากที่จะรับนะถึงแม้ว่าคนดีจะมาช่วยยังไงเนี่ยเขาก็รับไม่ได้ เขาเรียกว่าอับอพพ ะ, ะบุคคลคือโกรดไม่ขึ้นช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงดังนั้นเหตุการณ์บุคคลเหล่าเนี้ยเราดูว่ายุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระอระหันต์พระพุทธเจ้าอยอู่คนน่าจะได้รับประโยชน์จากศาสนามากกว่านั้นนหะแต่ก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าตีต่างว่าพระพเจ้ามาจ ะ, จะรู้ในสมัยนี้ อจะเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าคนส่วนหนึ่งจะต่อต้านนะจะไปเศษจะค่มพูจะคุกคามจะด่าทอจะเครือบแคลงสงสัยจะเชื่อนะ ก, ก็ก็จะออกเป็นหลายฝ่า ย, ยสามสี่ฝ่ายแหละบางคนเชื่อจะได้รับประโยชน์แต่คนเชื่อจะน้อยคนเชื่อจะน้อย เพราะนั้นเราลองสังเกตว่าพระที่ดีเด่นดังอย่างไงก็ตามจะมีคนกลุ่มหนึ่งก็แอบได้เพราะว่าโมหะมันปิดบังปิดบังดวงตาปัญญาเอาไว้มันควรจะรู้ควรจะเห็นควรจะเข้าใจมันไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจหอนสัตวโลกจึงเป็นไปตามกรรมของเขา เหมือนไอการการประทุษไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ทั้งๆ ท, ที่เราไปอธิบายเชื่อมโยงอะไรให้ดูเนี่ยเขาก็โกรธอ่ะเป็นการเพิ่มบาไปแก่เขานะนี่เพราะคุณไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นไหมเด๋นี้ก็เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ว่าเขาก็จะไม่เชื่อ ผลจริงเราเรามีเอกสารหลักฐานตำรับตำราเรือง้มากเกี่ยวกับเรื่องกฎข้งกรรมเนะี่ยคือถ้าเราเรามองสังคมไทยเราว่าสิ่งที่เราพูดมากที่สุดในเรื่องกรรมกับสังสารวัตรวรรณกรรมโบราณตั้งแต่มาวิบากก็ดีนายพรานคืนสิงห์ก็ดีเตภูมิกระถาใสภูมิพระร่วงก็ดี แต่และอย่างเนี่ยพระมาลายเทวเทนงคือผู้นะเรียกบรปบุญคุณโทษทั้งนั้นเลยเวลานี้กลับโดนต่อต้านแล้วนะว่าพระโกหกเอานรกมาคู่เอาสวรรค์มาล่อเอาไปเพิ่มบาปข้อีกพระุพธิสัมันก็ปร่งตกนะปรงตกอย่างพระที่เล่าเนี่ยคือท่านก็ต้องปรงตก แต่โลกก็เป็นไปตากรรมแต่ท่านให้สติอย่างเนี้ยอธิบายต่อไม่ได้ท่านบอกว่าถ้าเราพักไม่ได้คนอื่นก็อยู่ไม่ได้ถ้าอธิบายแล้วพวกนี้จะประพฤติบาปอกุศลมากยิ่งขึ้นจะด่าอาจจะค่มคู่หรือว่าโดนนักเลงอาจจะไปทำอะไรก็ได้คนสมัยนี้นี่วางใจไม่ได้เพราะเราเห็นว่าเออ พรามีฐานสี่ในถึงจุดหนึ่งมันต้องเป็นอุเบกขานะต้องทำใจเป็นบักอุเบกขาวางใจกลางกลางสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมของเขาเพราะเราก็ไปหยุดกรรมของมนุษย์ไม่ได้เราหยุดกรรมของเราเท่านั้นเองได้ถ้าจะหยุดนะถ้ามีเจตนาจะหยุดต้องฟังเทา่าไหร่